คำพีวิสุทธิมักปริเชตที่เจ็ดอนุสตินิเทศอนุสติสิประการก็แลนักศึกษาพึงทราบอัตธิบายในอนุสติสิประการที่ทรงแสดงไว้ในลำดับแห่งอสุภกรรมฐานดังต่อไปนี้สตินั่นเองชื่อว่าอนุสติเพราะเกิดขึ้นบ่อย อีกอย่างหนึ่งสติอันสมควรแก่กุลบุตรผู้บวช ด, ด้วยศรัทธาเพราะเป็นไปในฐานะอันควรจะเป็นไปแม้เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอนุสติหนึ่งความระลึกหนึ่งเนืองเกิดขึ้นปรารบพระพุทธเจ้าชื่อว่าพุทธานุสติคำนี้เป็นชื่อของสติอันมีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์ 2. ความระลึกนเนืองเกิดขึ้นปรารพพระธรรมชื่อว่าธรรมานุสติคำนี้เป็นชื่อของสติอันมีพระธรรมคุณเป็นอารมณ์มีความเป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเป็นตน้น 3. ความระลึกนเนืองเกิดขึ้นปรารบพระสงฆ์ชื่อว่าสังคานุสติ คำนี้เป็นชื่อของสติอันมีพระสังฆ ค, คุณเป็นอารมณ์มีความเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นต้นสความระลึกเ น, อเนืองเกิดขึ้นปรารบศีลชื่อว่าศีลานุสติคำนี้เป็นชื่อของสติอันมีคุณแห่งศีลเป็นอารมณ์มีความเป็นของไม่ขาดเป็นต้นห้า ความระลึกหนึ่งเนืองเกิดขึ้นปรารบการบริจาคชื่อว่าจาคานุสติคำนี้เป็นชื่อของสติอันมีคุณแห่งการบริจาคเป็นอารมณ์มีความเป็นผู้เสียสละอย่างเด็ดขาดเป็นตน้นหความระลึกหนึ่งเนืองเกิดขึ้นปรารบเทวดาทั้งหลายชื่อว่าเทวตานุสติคำนี้เป็นชื่อของสติ อันมีคุณคือศรัทธาเป็นต้นของตนโดยตั้งเทวดาทั้งหลายไว้ในฐานะเป็นพยานเป็นอารมณ์ 7. ความระลึกเนือง เ, นองเกิดขึ้นปรารบมรณะชื่อว่ามรณานุสติคำนี้เป็นชื่อของสติอันมีความขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตเป็นอารมณ์ 8. ป สติอนึกถึงซึ่งรูปกายอันต่างด้วยผมเป็นต้นหรือสติอนึกไปในกายชื่อว่ากายคตาสตินั้นด้วยนึกถึงซึ่งรูปกายหรือนึกไปในกายด้วยชื่อว่ากายคตาสติแทนที่จะกล่าวว่ากายคตะสติกล่าวเสีว่ากายคตาสติเพราะไม่ทํารสะ คำนี้เป็นชื่อของสติอันมีนิมิตคือชิ้นส่วนของกายมีผมเป็นต้นเป็นอารมณ์9ความระลึกเกิดขึ้นปราลบลมหายใจเข้าและลมหายใจออกชื่อว่าอนาปนสติคำนี้เป็นชื่อของสติอันมีนิมิตคือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเป็นอารมณ์สิบ ความระลึกหนึ่งเนืองเกิดขึ้นปรารมความสงบชื่อว่าอุปสมานุสติคำนี้เป็นชื่อของสติอันมีนิพพานอันเป็นที่สงบทุกทั้งปวงเป็นอารมณ์พุทธานุสติกถาวิธีเจริญพุทธานุสติกรมมัฏฐาน ในอนุสติสิบประการนี้อัญโยคีบุคคลผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวมีความประสงค์เพื่อที่จะเจริญพุทธานุสติเป็นประการแรกพึงไปหน้าที่อันสงัดหลีกเร้นอยู่ณเสนาสนะอันสมควรแล้วพึงระลึกถึงพระคุณของพระผู้มีพระพุทธเจ้าหนึ่งเนืองโดยในยะที่มาในพระบาลีอย่างนี้ว่า พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นอิตติปิอรหังเป็นพระอระหันต์แม้เพราะเหตุนี้อิตติปิสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบแม้เพราะเหตุนี้อิตติปิวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะแม้เพราะเหตุนี้อิตติปิสุขโต เป็นผู้เสด็จไปดีแม้เพราะเหตุนี้อิตติปิโลกวิทูเป็นผู้ทรงรู้แจ้งโลกแม้เพราะเหตุนี้อิตติปิอนุตตโรปุริสธรรมมารสาทิทรงเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกชั้นยอดเยี่ยมแม้เพราะเหตุนี้อิตติปิสัทถาเทวมนุษยสานัง ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้เพราะเหตุนี้อิติปิพุทธโธทรงเป็นพุทธะแม้เพราะเหตุนี้อิติปิพัควาทรงเป็นพัควาแม้เพราะเหตุนี้ด้วยประการชนนี้อธิบายบทอารหัง ในพระพุทธคุณเก้านั้นโยคีบุคคลย่อมระลึกเนืองๆว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงได้พระนามว่าพระอระหังเป็นประการแรกเพราะเหตุเหล่านี้คือเพราะเป็นผู้ไกลหนึ่งเพราะเป็นผู้กำจัดอริทั้งหลายหนึ่งเพราะเป็นผู้หักซึ่งกรรมทั้งหลายหนึ่งเพราะเป็นผู้ควรแก่ทยธรรมทั้งหลายมีปัจจัยเป็นต้นหนึ่ง เพราะเป็นผู้ไม่มีที่ลับในการกระทาบาปหนึ่งข้อว่าเป็นผู้ไกลจริงอยู่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชื่อว่าเป็นผู้ไกลคือทรงดำรงอยู่ในที่ไกลแสนไกลจากสรรพกิเลสทั้งหลายเพราะเป็นผู้ทรงกำจัดเสียแล้วซึ่งกิเลสทั้งหลายพร้อมทั้งวาสนาด้วยพระอริยมรรค เพราะเหตุนั้นจึงทรงได้พระนามว่าอารหังเพราะเหตุเป็นผู้ไกลพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดไม่ทรงประกอบด้วยกิเลสอันใดและไม่ทรงประกอบด้วยโทษสิ่งใดพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้เป็นพระนาถะของโลกเป็นผู้ไกลจากกิเลสและโทษเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นจึงทรงปรากฏพระนามว่า อรหังข้อว่าเป็นผู้กำจัดอริทั้งหลายอันหนึ่งอริคือกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นอันพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นทรงกำจัดแล้วด้วยพระอริยมรรคเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงทรงพระนามว่าอารหังแม้เพราะเหตุเป็นผู้กำจัดซึ่งอริทั้งหลาย แม้เพราะเหตุที่อริทั้งหลายอันได้แก่กิเลสมีราคาเป็นต้นแม้ทุกทุกอย่างอันพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระนาถะของโลกทรงกำจัดแล้วด้วยศาตราคือพระปัญญาฉะนั้นพระองค์จึงทรงปรากฏพระนามว่าอารหังชนีขคอว่าเป็นผู้หักซึ่งกรรมทั้งหลาย กรรมในที่นี้สะกดด้วยกอไก่สระอํานะครับคือซี่ล้ออันหนึ่งสังสารจักนีิใดมีดุมสําเร็จด้วยอวิชชาและภวะตันหามีกรรมคือซี่ล้อสําเร็จด้วยอภิสังขารมีปุญญาภิสังขารเป็นต้นมีกงคือวงรอบของล้อรถสําเร็จด้วยชราและมรณะ เอาเปล่าอันสำเร็จด้วยอาสวะและสมุทยัยสอดเข้าแล้วประกอบเข้าในตัวรถคือพบทั้งสามแล่นไปตลอดกาลไม่มีเบื้องต้นและที่สุดกรรมทั้งหลายแห่งสังสารจักนั้นทุกทุกซี่อันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงประทับยืนอยู่บนพื้นปัตตภีคือศีลด้วยพระบาททั้งสองคือวิริยะและขวงพระสีมหาโพ ทรงจับขวัญคือพระพุทธยานอันทมกรรมในที่นี้คือซี่ล้อให้สิน้นสูนทรงหักแล้วเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงทรงพระนามว่าอารหังแม้เพราะเหตุที่ทรงหักซึ่งกรรมทั้งหลายกรรมในที่นี้หมายถึงซี่ล้อรถเปรียบสังสารวัฏเหมือนการเดินทางไกลซึ่งพระองค์ทรงทำลายซีล้อรถนั้นแล้ว รถนั้นจึงวิ่งต่อไม่ได้เปรียบเหมือนสังสารวัตรก็สิ้นสุดเพียงนั้นอีกประการหนึ่งสังสารวัตรอันมีเบื้องต้นและที่สุดรู้ไม่ได้เรียกว่าสังสารจักและสังสารจักนั้นมีอวิชชาเป็นดุมเพราะเป็นมูลเหตุชราและมรณะเป็นกงคือวงรอบของล้อรถ เช่นกงเกวียนชราและมรณะเป็นกงเพราะเป็นปลายเหตุปฏิจจสมุปบาทธรรมที่เหลือสิบประการเป็นกรรมคือซี่ล้อเพราะมีอวิชชาเป็นมูลเหตุและเพราะมีชราและมรณะเป็นปลายเหตุในบรรดาปฏิจจสมุปบาทธรรมเหล่านั้นความไม่รู้ในทุกเป็นต้นชื่อว่าอาวิชชา และอวิชชาในการมาพบเป็นปัจจัยแก่สังขารทั้งหลายในการมาพอาวิชชาในรูปประพบเป็นปัจจัยแก่สังขารทั้งหลายในรูปประพบอวิชชาในอรูปปพบเป็นปัจจัยแก่สังขารทั้งหลายในอรูปประพบสังขารทั้งหลายในการมาพบเป็นปัจจัยแก่ ป, ป, จจกปฏิสนธิวิญญาณในกามาพ <time> <atori> ในภพสองนอกนี้ ก็มีเนยยะเช่นนี้ปฏิสนธิวิญญาณในการมาพบเป็นปัจจัยแก่นามรูปในการมาพบในรูปภปพเหมือนกันส่วนในอรูปภปพปฏิสนธิวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามอย่างเดียวนามรูปในการมาพบเป็นปัจจัยแก่อายตนะหกในการมาพบนามรูปในรูปภปพ เป็นปัจจัยแก่อายตนะหนึ่งในรูปภพอายตนะหกในกามะภพเป็นปัจจัยแก่พัสสะหในกามะภพอายตนะสาในรูปภพเป็นปัจจัยแก่พัสสะสในรูปภ พ, ปพอายตนะหนึ่งในอรูปภพเป็นปัจจัยแก่พัสสะหนึ่งในอรูปภพพัสสะหในกามะภพ เป็นปัจจัยแก่เวทนาหกในกามาพบพรรษสามในรูปประพบเป็นปัจจัยแก่เวทนาสามในรูปประพบนั่นและเวทนาหกในกามาพบเป็นปัจจัยแก่กองตัญหาหกในกามาพบเวทนาสามในรูปประพบเป็นปัจจัยแก่กองตัญหาสามในรูปประพบนั้นนั่นและ เวทนาหนึ่งในอรูปภพเป็นปัจจัยแกกองตัญหาหนึ่งในอรูปภพตัญหานั้นๆในภพนั้นๆเป็นปัจจัยแก่อุปาทานนั้นๆธรรมะทั้งหลายมีอุปาทานเป็นต้นเป็นปัจจัยแก่ธรรมะทั้งหลายมีภพเป็นต้นถามข้อนี้อย่างไร ออ บ, บุคคลบางคนในโลกนี้คิดว่าเราจากบริโภคซึ่งการมาคุณทั้งหลายดังนี้แล้วก็ประพฤติทุจริตด้วยกายประพฤติทุจริตด้วยวาจาประพฤติทุจริตด้วยใจเพราะมีกามุปาทานเป็นปัจจัยเขาย่อมบังเกิดในอบายเพราะความบริบูรณ์แห่งทุจริตกรรมอันเป็นเหตุให้บังเกิดในอบายนั้นของบุคคลนั้น เป็นกรรมมาพบขันทั้งหลายที่บังเกิดเพราะกรรมเป็นอุปัติภพความบังเกิดแห่งขันทั้งหลายเป็นชาติความแกง่งอมแห่งขันทั้งหลายเป็นชราความแตกแห่งขันทั้งหลายเป็นมรณะอีกบุคคลหนึ่งปรารถนาว่าเราจากเสวยสวรรค์สมบัติ ดังนี้แล้วจึงประพฤติสุจริตเหมือนอย่างนั้นนั่นแหละเขาย่อมบังเกิดในสวรรค์เพราะความบริบูรณ์แห่งสุจริตคำว่า ก, กรรมอันเป็นเหตุให้บังเกิดในสวรรค์นั้นแห่งบุคคล น, นั้นเป็นกรรมมาพบเป็นต้นก็ในยะเดียวกันนั้นนั่นเทียวอันหนึ่งอีกบุคคลหนึง่งปรารถนาว่าเราจะเสวยสมบัติในพรหมโลก ดังนี้แล้วก็เจริญเมตตากรรมฐานเจริญกรุณากรรมฐานเจริญมุทิตากรรมฐานเจริญอุเบกขากรรมฐานเขาย่อมไปบังเกิดในพรหมโลกเพราะความบริบูรณ์แห่งการเจริญกรรมฐานคําว่ากรรมอันเป็นเหตุให้บังเกิดในพรหมโลกนั้นของบุคคลนั้นกรรมมพเป็นต้นก็ในยะเดียวกันนั่นแล อีกบุคคลหนึ่งปรารถนาว่าเราจากเสวยสมบัติในอรูปภปพดังนี้แล้วจึงเจริญสมาบัติทั้งหลายมีอากาสาร น, นจายตนะสมาบัติเป็นต้นเหมือนอย่างนั้นนั่นและเขาย่อมไปบังเกิดในอรูปภปพนั้นๆเพราะความบริบูรณ์แห่งการเจริญสมาบัติกรรมอันเป็นเหตุให้บังเกิดในอรูปภปพนั้นของบุคคลนั้นเป็นกรรมภพ ขันทั้งหลายที่บังเกิดเพราะกรรมเป็นอุปติภพความบังเกิดแห่งขันทั้งหลายเป็นชาติความแก่ง่งมแห่งขันทั้งหลายเป็นชราความแตกแห่งขันทั้งหลายเป็นมรณะชนิ้แม้ในการประกอบความทั้งหลายซึ่งมีอุปาทานที่เหลือเป็นมูลก็ในยะเดียวกันนี้ ความรู้ในการกําหนดปัจจัยอย่างนี้ว่าอาวิชชาเป็นเหตุสังขารเป็นผลเกิดแต่เหตุแม่อวิชชาและสังขารทั้งสองนั้นก็เป็นผลเกิดแต่เหตุนี้เป็นธรรมะทิฏฐิยานความรู้ในการกาหนดปัจจัยว่าอาวิชชาเป็นเหตุสังขารเป็นผลเกิดแต่เหตุ แม้อวิชาและสังขารทั้งสองนั้นก็เป็นผลเกิดแต่เหตุทั้งในการเป็นอดีตทั้งในการเป็นอนาคตเป็นธรรมะทิฏยานนักศึกษาพึงทําทุกๆุกบทให้พิสดารโดยในยะนี้ด้วยประกาศชนิดนั่นเทียวในบรรดาธรรมะเหล่านั้นอวิชากับสังขารจัดเป็นสังเขปอันหนึ่ง วิญญาณ น, นามรูปสลายตนะภาษาและเวทนาจัดเป็นสังเขปอันหนึ่งตัณหาอุปาทานและภพจัดเป็นสังเขปอันหนึ่งชาติชราและมรณะจัดเป็นสังเขปอันหนึ่งและในสังเขปเหล่านั้นสังเขปต้นจัดเป็นอดีตอัฏาคืออดีตการ สองสังเขปกลางจะเป็นปัจจุบันอาาัฏฐาปัจจุบันการชาติชราและมรณะจัดเป็นอนาค ต, ตอาาัฏฐาอนาคตตการอันหนึ่งในบรรดาธรรมะเหล่านั้นโดยที่ถือเอาอาวิชชาและสังขารก็เป็นอันถือเอาตัณหาอุปาทานและพบด้วยดังนั้นธรรมะห้าอย่างนี้ จัดเป็นกรรมวัตในอดีตธรรมะห้ามีวิญญาณเป็นต้นจัดเป็นวิปากวัตในปัจจุบันโดยที่ถือเอาตันหาอุปาทานและพก็เป็นอันถือเอาอาวิชชาและสังขารด้วยดังนั้นธรรมะห้าอย่างนี้จัดเป็นกรรมวัตในปัจจุบันเพราะเหตุที่ธรรมะห้ามีวิญญาณเป็นต้น ท่านแสดงไว้โดยอ้างเอาชาติชราและมรณะธรรมะห้าเหล่านี้จัดเป็นวิปากวัฏในอนาคตธรรมะเหล่านั้นโดยอาการจึงเป็นยี่สิบอันหนึ่งในบรรดาธรรมะเหล่านั้นระหว่างสังขารกับวิญญาณจัดเป็นสนธิอันหนึ่งระหว่างเวทนากับตัณหาจัดเป็นสนธิอันหนึ่ง ระหว่างพบกับชาติจัดเป็นสนธิอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงทราบทรงเห็นทรงรู้ทรงแทงตลอดซึ่งปฏิจจสมุปบาทธรรมอันมีสังเขปสี่อัฏฐาสามอาการยี่สิบสนธิสามด้วยประการชนีความรู้นั้นชื่อว่ายานเพราะอัฏฐาวารู้ ชื่อว่าปัญญาเพราะอัฏฐาว่ารู้โดยประการต่างๆด้วยเหตุนั้นความรู้ในการกำหนดปัจจัยท่านจึงเรียกว่าธรรมทิติยานพระผู้มีพระภาคครั้นทรงรู้ธรรมเหล่านั้นด้วยธรรมทิติยานนี้ตามความเป็นจริงแล้วทรงเบื่อหน่ายในธรรมะเหล่านั้นคือทรงสำรอกทรงหลุดพ้น ชื่อว่าทรงหักคือทรงรือ้อทรงทำลายซึ่งกรรมคือซีล้อทั้งหลายแห่งสังสารจัจจ์อันมีประการดังกล่าวมาแล้วนี้พระผู้มีพระภาคทรงได้พระนามว่าพระอระหังเพราะทรงหักกรรมคือซีล้อแห่งสังสารจัจจ์ทั้งหลายแม้ด้วยประการอย่างนี้เพราะเหตุที่กรรม สี่ล้อทั้งหลายแห่งสังสารจักร์อันพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นนาถะของโลกทรงทําลายมาด้วยดาบคือพระยานฉะนั้นพระองค์จึงได้รับการเฉลิมพระนามว่าพระอระหังข้อว่าเป็นผู้ควรแก่ปัจจัยเป็นต้น อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคย่อมควรซึ่งปัจจัยทั้งหลายมีจีวรเป็นต้นและควรซึ่งการบูชาชั้นพิเศษเพราะพระองค์ทรงเป็นทักษิณนยะบุคคลชั้นยอดและเพราะเหตุนั้นนั่นแหลเมื่อพระตถาคตเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายฉันมาเหสักเหล่าหนึง่งเหล่าใดนั้นย่อมไม่ทาการบูชาหน้าที่อื่น เป็นความจริงท้าวสหัมบดีพรมได้บูชาพระตถาคตเจ้าด้วยพวงแก้วขนาดเท่าเขาสิเนรุและเทวดาทั้งหลายชั้นอื่นๆและมนุษย์ทั้งหลายมีพระเจ้าพิมพิสารและพระเจ้าโกศนเป็นต้นก็ได้ส่งบูชาตามควรแก่กำลังอันหนึ่งแม้เมื่อพระผู้มีพระภาคสเสด็จป ร, ริณิพ่านแล้วพระเจ้าอาโศกมหาราช ก็ได้ส่งบริจาคพระราชทรัพย์จำนวน96้าสบหโกรธสร้างพระอารามอุทิตไว้ในชมพูทวีปทั่วไปถึง8ป0 0 0พันแห่งไม่ต้องพูดถึงการบูชาชั้นพิเศษอื่นๆเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงได้พระนามว่าพระอระหังแม้เพราะเหตุที่ทรงเป็นผู้ควรแก่ปัจจัยเป็นต้น เพราะเหตุที่พระผู้มีพระภาคเป็นนาะของโลกพระองค์นี้ย่อมสมควรซึ่งการบูชาชั้นพิเศษพร้อมทั้งปัจจัยทั้งหลายฉะนั้นพระองค์ผู้เป็นพระชินเจ้าจึงทรงสมควรต่อพระนามอันนี้คือพระอระหังในโลกซึ่งเป็นพระนามที่สมควรแก่ความหมาย ข้อว่าไม่มีที่ลับในการทำบาปอนหนึ่งพวกคนพาลแต่สำคัญตนว่าเป็นบัณฑิตจำพวกใดจำพวกหนึ่งในโลกย่อมทำบาปในที่ลับเพราะกลัวเสียชื่อเสียงฉันใดพระผู้มีพระภาคนั้นย่อมไม่ทรงกระทำเหมือนอย่างนั้นในการไหนๆฉะ น, นั้นพระองค์จึงทรงได้พระนามว่า พระอระหังแม้เพราะเหตุไม่มีที่ลับในการทำบาปเพราะเหตุที่ขึ้นชื่อว่าที่ลับในการทำบาปทั้งหลายยอมไม่มีแก่พระผู้มีพระภาคผู้คงที่ฉะนั้นพระองค์จึงทรงปรากฏพระนามว่าพระอระหังเพราะไม่มีที่ลับนั้นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นมุนีพระองค์นั้น เพราะเหตุเป็นผู้ไกลหนึ่งเพราะเหตุเป็นผู้กำจัดอริคือกิเลสทั้งหลายหนึ่งเป็นผู้หักกรรมแห่งสังสารวัฏหนึ่งเป็นผู้ควรแก่ทยธรรมทั้งหลายมีปัจจัยเป็นต้นหนึ่งไม่ทรงกระทำบาปทั้งหลายในที่รับหนึ่งบัณฑิตจึงถวายพระนามว่าพระอระหังคือเป็นพระอระหันต์เพราะเหตุนั้น อธิบายบทสัมมาสัมพุโทโธก็แลพระผู้มีพระภาคทรงได้พระนามว่าสัมมาสัมพุโทโธเพราะเหตุที่เป็นผู้ตรัสรู้สัพพธรรมทั้งหลายโดยชอบด้วยด้วยพระองค์เองด้วยเป็นความจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นตรัสรู้สัพพธรรมทั้งหลายโดยชอบด้วยโดยพระองค์เองด้วย ตรัสรู้ธรรมทั้งหลายที่ควรรู้ด้วยปัญญาอ ouais ันยิ่งโดยความเป็นธรรมอันควรรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งตรัสรู้ธรรมทั้งหลายที่ควรกำหนดรู้โดยความเป็นธรรมอันควรกำหนดรู้ตรัสรู้ธรรมทั้งหลายอันควรละโดยความเป็นธรรมอันควรละตรัสรู้ธรรมทั้งหลายอันควรทำให้แจ้ง โดยความเป็นธรรมอันควรทำให้แจ้งตรัสรู้ธรรมทั้งหลายอันควรเจริญโดยความเป็นธรรมอันควรเจริญและด้วยเหตุนั้นนั่นแหละพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสไว้ว่าสิ่งที่ควรรู้ด้วยปัญญาอันยิง่งเราได้รู้แล้วด้วยปัญญาอันยิง่งสิ่งที่ควรละเราได้ละแล้วสิ่งที่ควรทำให้แจ้งเราได้ทำให้แจ้งแล้ว และสิ่งที่ควรเจริญเราได้เจริญแล้วพรามเพราะเหตุนั้นเราจึงเป็นผู้ตรัสรู้อีกประการหนึ่งจากสุเป็นทุกขสัตตันหาเก่าอันเป็นสมุทฐานโดยความเป็นมูลเหตุแห่งจากสุนั้นเป็นสมุทยาสัต ความไม่ดำเนินไปแห่งจักสุและตันหาทั้งสองเป็นนิโรธสัตว์ปฏิปทาที่เป็นเหตุรู้นิโรธเป็นมรคสัต์พระผู้มีพระภาคตรัสรู้สรรพธรรมทั้งหลายโดยชอบแล้วด้วยพระองค์เองด้วยแม้โดยการยกขึ้นทีละบททีละบทอย่างนี้ด้วยประการชนี้แม้ในโสตคานะจิวหา กายและมนโนทั้งหลายก็มีในยะเช่นเดียวกันนี้อายตนาหกมีรูปเป็นต้นกองแห่งวิญญาหกมีจักขุวิญญาณเป็นต้นผัสสะหกมีจักขุสัมผัสเป็นต้นเวทนาหกมีจักขุสัมผัสสัชาเวทนาเป็นต้นสัญญาหกมีจักขุสัญญาเป็นต้น เจตนาหกมีรูปประสัญญาเป็นต้นกองแห่งตันหาหกมีรูปประตัญหาเป็นต้นวิตกหกมีรูปประวิตกเป็นต้นวิจารหกมีรูปประวิจารเป็นต้นขันห้ามีรูปประขันเป็นต้นกสินสิบอนุสติสิบสัญญาสิบด้วยอำนาจแห่งอุทุมาตะสัญญาเป็นต้น อาการส2มสองมีผมเป็นต้นอายตนะส2บสองาสิปดพบเก้ามีกามมาพบเป็นต้นฌานสี่มีปฐมฌานเป็นต้นอปมัญญาสี่มีเมตตาภาวนาเป็นต้นอรูปสมาบัตสีและองค์แห่งปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลมมีชาติและชราเป็นต้น โดยอนุโลมมีอวิชชาเป็นต้นนักศึกษาพึงประกอบเข้าโดยในยะนี้นั่นแหลการประกอบความบทหนึ่งในธรรมะเหล่านั้นมีตัวอย่างดังต่อไปนี้คือชราและโมรณะเป็นทุกขสัตว์ชาติคือการเกิดเป็นสมุทัยสัตว์ความสลัดออกซึ่งทุกขสัตว์และสมุทัยสัตว์แม้ทั้งสอง เป็นนิโรธสัตว์ปฏิปทาเป็นเหตุรู้แจ้งซึ่งนิโรธสัตว์เป็นมักขสัตว์พระผู้มีพระภาคตรัสรู้คือทรงรู้โดยอนุโลมทรงรู้โดยปฏิโลมซึ่งสัพพธรรม ท, ทั้งหลายโดยการยกขึ้นทีละบททีละบทอย่างนี้ด้วยประการชนนี้ด้วยเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวไว้ว่า ก็แลพระผู้มีพระภาคทรงได้พระนามว่าสัมมาสัมพุโทโธเพราะเหตุที่เป็นผู้ตรัสรู้สัพพธรรม ท, ทั้งหลายโดยชอบด้วยด้วยพระองค์เองด้วยฉนันนี้อธิบายบทวิชาเจารณะสัมปันโนก็แลพระผู้มีพระภาคทรงได้พระนามว่า วิชาจรณะสัมปันโนเพราะเหตุที่พระองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยวิชาทั้งหลายด้วยด้วยเจรณะด้วยในสองประการนี้วิชาสามก็ดีวิชาแปดก็ดีชื่อว่าวิชาวิชาสามนักศึกษาพึงทราบโดยในยะที่ตรัสไว้ในพยะเพระวอสูตรวิชาแปด พึงทราบโดยในยะที่ตรัสไว้ในอัมพัทสูตรนั่นเถิดจริงอยู่ในอัมพัทสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสวิชาแปดโดยกำหนดเอาอภิญญาหกบวกด้วยวิปัสนาญาณละมโนมยิทธิธรรมะสิบห้าประการนี้คือศีละสังวรหนึ่งความรักษาทวารที่อินทรีหกหนึ่งความรู้ประมาในโภชนะหนึ่ง การประกอบความเพียรหนึ่งสัตทธรรมเจ็ดหนึ่งรูปาวจรชานสี่หนึ่งพึงทราบว่าจรณะจริงอยู่ธรรมะสิบห้าประการนี้เท่านั้นตรัสว่าเป็นจรณะเพราะเหตุที่เป็นทางดำเนินไปสู่ทิตอมตะของพระอริยสาวกสมดังที่ตรัสไว้ว่ามหานามะอริยสาวกในศาสนานี้ ย่อมเป็นผู้มีศีลดังนี้เป็นอาทิคำทั้งหมดพึงทราบโดยนัยยะที่ตรัสไว้ในมัชิมะปัญสกะนั่นเถิดพระผู้มีพระภาคทรงประกอบแล้วด้วยวิชาแปดนี้และจรณะนี้ด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงทรงได้พระนามว่าวิชาจรณะสัมปันโนในสมบัติสองประการนั้น วิชาสมบัติยังความเป็นพระสัพพัญยูของพระผู้มีพระภาคให้บริบูรณ์เจรณะสมบัติยังความเป็นผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาของพระผู้มีพระภาคให้บริบูรณ์พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงทราบสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ของสัรพสัตว์ทั้งหลายด้วยพระสัพพัญยุตยานแล้วทรงชักนาในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ส่งเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ด้วยความเป็นผู้ทรงประกอบด้วยพระมหากรุณาเหมือนดังศาสดาอื่นๆที่สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารนะนั้นด้วยเหตุนั้นพระสาวกทั้งหลายของพระองค์จึงเป็นผู้ปฏิบัติ ด, ดีไม่เป็นผู้ปฏิบัติชั่วเหมือนอย่างพวกสาวกของศาสดาทั้งหลายผู้มีวิชาและจารณะวิบัติซึ่งมีแต่ทาตนให้เดือดร้อนเป็นต้น อธิบายบทสุขตโตพระผู้มีพระภาคทรงได้พระนามว่าสุขตโตเพราะมีการทรงดำเนินไปงามอย่างหนึ่งเพราะเสด็จไปสู่ฐานะอันดีอย่างหนึ่งเพราะเสด็จไปโดยชอบอย่างหนึ่งเพราะตรัสโดยชอบอย่างหนึ่งจริงอยู่แม้การดำเนินไปท่านเรียกว่าคตตะ และการดำเนินไปนั้นของผู้มีพระภาคเป็นการงามคือบริสุทธิ์หาโทษมิได้ก็แลการดำเนินไปงามนั้นได้แก่อะไรข้อว่าทรงดำเนินไปงามได้แก่อริยมรรคจริงอยู่พระผู้มีพระภาคนั้นเสด็จไปเมละทิศอันเกษมด้วยการดำเนินไปนั้นจึงทรงได้พระนามว่า สุขโตเพราะมีการดำเนินไปงามด้วยประการชนนี้ข้อว่าเสด็จไปสู่ฐานะอันดีพระผู้มีพระภาคเสด็จไปสู่ฐานะอันดีคือพระนิพพานอันเป็นอมตะดังนั้นจึงส่งได้พระนามว่าสุขโตแม้เพราะเสด็จไปสู่ฐานะอันดีข้อว่า สเสด็จไปโดยชอบอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคนั้นสเสด็จไปโดยชอบคือไม่สเสด็จกลับมาสู่กิเลส ท, ทั้งหลายที่ส่งละแล้วด้วยมักนั้นันนอีกสมดังคำที่พระสาริปุทธเถระกล่าวไว้ว่ากิเลสเหล่าใดที่ส่งละแล้วด้วยโสดาปติมักพระผู้มีพระภาคไม่มาไม่คืนมาไม่กลับมาสู่กิเลสเหล่านั้นอีกดังนั้น จึงทรงได้พระนามว่าสุ ข, ขโตกิเลสเหล่าใดที่ทรงละแล้วด้วยอรหัตมรักพระผู้มีพระภาคไม่มาไม่คืนมาไม่กลับมาสู่กิเลสเหล่านั้นอีกดังนั้นจึงทรงได้พระนามว่าสุ ข, ขโตกิอีกประการหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จไปโดยชอบคือทรงทําแต่ประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่โลกทั้งปวง ด้วย พ, พระสัมมาปฏิบัติโดยทรงบำเพ็ญพระบารมีสามสิบทัศนับจําเดิมแต่บาดมูลแห่งพระทีปังกรพุทธเจ้าตราบเท่าถึงประเทศเป็นที่พองใสแห่งพระโพธิยานคือเสด็จไปอย่างไม่เข้าสู่ริมทางเหล่านี้คือสัสะตะทิฏฐิหนึ่งอุเฉท ท, ทิฏฐิหนึ่งการ ม, มาสุ ข, ขันลิการก น, กานุโยกหนึ่งอตตกิลมัานุโยคหนึ่งจึงทรงได้พระนามว่า สุขโตแม้เพราะเสด็จไปโดยชอบด้วยประการชนนี้ข้อว่าตรัสโดยชอบอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคนั้นยอมตรัสโดยชอบคือตรัสแต่พระวาจาที่สมควรในฐานะอันสมควรจึงทรงได้พระนามว่าสุขโตแม้เพราะตรัสโดยชอบด้วยประการชนนี้ ในอธิการนี้มีสูตรสาทกดังต่อไปนี้คือตถาคตรู้วาจาใดอันไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆตถาคตไม่ตรัสวาจานั้นตถาคตรู้วาจาใดเป็นของจริงของแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆแม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัสอันหนึ่งตถาคตรู้วาจาใดเป็นของจริงเป็นของแท้ประกอบด้วยประโยชน์และวาจานั ke, ้นไม่เป็นที <S <S in ่รักไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆในข้อนั้นตถาคตย่อมรู้การในอันที่จะใช่วาจานั้น ตถาคตรู้วาจาใดอันไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และวาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆตถาคตไม่ตรัสวาจานั้นตถาคตรู้วาจาใดแม repaired, ้เป็นของจริงของแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่วาจานั้นเเเปป็็นนนนนนททีี่่่รรัักจจจิญใขอองคืๆแม้้วาาตถาคตก็ไม่ตรัส อันนึงตถาคตรู้วาจาใดเป็นของจริงของแท้ประกอบด้วยประโยชน์ทั้งวาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆข้อนั้นตถาคตย่อมรู้การในอันที่จะใช้วาจานั้นนักศึกษาพึงทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงได้พระนามสุ ข, ขะโตแม้เพราะตรัสโดยชอบ ด้วยประการดังพันนนามานี้อธิบายบทโลกะวิทูก็แหละพระผู้มีพระภาคทรงได้พระนามว่าโลกะวิทูเพราะเป็นผู้ทรงรู้แจ้งโลกแม้โดยทุกๆประการเป็นความจริงพระผู้มีพระภาคนั้น ทรงรู้แจ้งทรงเข้าพระไทยทรงทะลุปลุบโลงซึ่งโลกโดยทุกทุกประการคือโดยสภาวะได้แก่ความเป็นจริงโดยสมุ ท, ทยัยได้แก่เหตุเป็นแดนเกิดโดยนิโรธได้แก่ความดับโดยนิโรทุกบายได้แก่อุบายบรรลุถึงซึ่งความดับเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่าอาวุโส ณที่สุดของโลกใดแลสัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติณที่สุดของโลกนั้นเราไม่กล่าวว่าเป็นสิ่งที่จะพึงรู้พึงเห็นพึงบรรลุถึงด้วยการเดินไปอุโสและครั้นยังไม่ได้บรรลุถึงซึ่งที่สุดของโลกเราไม่กล่าวว่าได้ทำถึงซึ่งที่สุดของทุกอุโส ก็แต่ว่าเราบัญญัติเอาโลกความเกิดขึ้นแห่งโลกความดับแห่งโลกและปฏิปทาอันสรงให้ถึงซึ่งความดับแห่งโลกตรงที่กะเลวรากคือร่างกายนี้อันยาวประมาณวาซึ่งมีสัญญามีใจครองนี้นั่นเทียวในการไหนบุคคลไม่พึงบรรลุถึงซึ่งที่สุดของโลกด้วยการเดินไปอันหนึ่ง ยังไม่บรรลุถึงซึ่งที่สุดของโลกที่จะพ้นจากทุกขหามีไม่เพราะเหตุฉะนั้นแหละท่านผู้มีปัญญาหลักแหลมรู้แจ้งโลกถึงซึ่งที่สุดของโลกอยู่จบรงมอาจาร์แล้วสงบแล้วรู้ที่สุดของโลกแล้วจึงไม่ปรารถนาซึ่งโลกนี้และโลกหน้าอีกไตยยหนึ่ง โลกมีสามอย่างคือสังขารโลกสัตวโลกโอกาสโลกในโลกสามนั้นสังขารโลกนักศึกษาพึงทราบในอักขตสถานว่าโลกหนึ่งคือสัตว์ทุกจําพวกดํารงอยู่ได้ด้วยอาหารสัตวโลกพึงทราบในอักขตสถานว่าโลกเที่ยงบ้างว่าโลกไม่เที่ยงบ้าง โอกาสโลกพึงเห็นในอาคตะสถานว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์หมุนไปรอบตัว ท, ทําทิศทั้งหลายให้สว่างอยู่โดยที่มีประมาณเท่าใดโดยที่มีประมาณเท่านั้นโลกมีจํานวนตั้งพันอํานาจของท่านย่อมปกแผ่ไปในโลกเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคทรงรู้แจ้งโลกทั้งสามนั้นโดยทุกทุกประการ สิงอย่างนั้นแม้สังขารโลกพระผู้มีพระภาคนั้นทรงรู้แจ้งโดยทุกๆประการอย่างนี้ว่าโลกหนึ่งคือสัตว์ทุกจำพวกดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารโลกสองคือนามหนึ่งรูปหนึ่งโลกสามคือเวทนาสามอย่างโลกสี่คืออาหารสี่อย่าง โลกห้าคืออุปาทานขันห้าโลกหกคืออายตนะภายในหกโลกเจ็ดคือวิญญาณทิฏฐิเจ็ดโลกแปดคือโลกธรรมแปดโลกเก้าคือสัตววาสเก้าโลกสิบคืออายตนะสิบโลกสิบสอง คืออายตนะสิบสองโลกสิบปดคือธาตุสิบแปดอีกประการหนึ่งโดยเหตุที่พระผู้มีพระภาคนั้นทรงทราบอาสยะทรงทราบอานุัสทรงทราบเจริตทรงทราบอธิมุิของสัตว์แม้ทุกหมู่เหล่าทรงทราบสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสดุจธุลีในดวงตาน้อย ผู้มีกิเลสดุดทุลีในดวงตามากผู้มีอินทรีย์แกผู้มีอินทรีย์อ่อนผู้มีอาการดีผู้มีอาการเลวผู้ที่จะสอนให้รู้ได้ง่ายผู้ที่จะสอนให้รู้ได้ยากผู้ควรรู้ผู้ไม่ควรรู้ดังนั้นพระองค์จึงชื่อว่าผู้ทรงรู้แม้สัตว์โลกโดยประการทั้งปวงก็แล สัตว์โลกพระผู้มีพระภาคทรงรู้แจ้งด้วยประการใดแม้ออ ก, กาสัโลกพระองค์ก็ทรงรู้แจ้งด้วยประการนั้นจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคนั้นทรงทราบว่าจักรวาลหนึ่งโดยส่วนยาวและส่วนกว้างประมาณหนึ่งล้านสองแสนสโยตโดยรอบปริมณฑลทั้งหมด ประมาณสมล้าน6แสนหนึ่งมืนสหิบโยนในจักรวาล น, นั้นมีแผ่นดินอันนี้กล่าวด้วยความหนาประมาณ2อแสนมืโยชแผ่นดินนั้นมีน้ำตั้งอยู่บนลมรองรับไว้ด้วยความหนาประมาณ 4,80 แ0 0มโยชมีลมดันขึ้นสู่นภาอากาศรองไว้ด้วยความหนาประมาณ9ก้0 0 0ืนโยน นี้เป็นความดำรงอยู่ของโอกาสโลกและในจักรวาลอันดำรงอยู่อย่างนี้นั้นมีภูเขาสินเนรุเป็นภูเขาที่สูงที่สุดยังลงในมหาสมุทรแปดหมื่นสี่พันยอสูงขึ้นไปก็เท่ากันนั้นมีภูเขาใหญ่ทั้งหลายคือภูเขายุคันทระภูเขาอิสินทระภูเขาการวีกะภูเขาสุทัศนะ ภูเขาเนมินธระภูเขาวินตกะภูเขาอศสกันนาะอันวิจิตไปด้วยรัต น, น, นานาชนิดราวกับว่าภูเขาทิพย์อย่างลึกลงไปและสูงขึ้นไปโดยประมาณกึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งแต่ภูเขาสิเนรุนั้นตามลำดับภูเขาใหญ่ทั้งเจ็ดนั้นอยู่โดยรอบภูเขาสิเนรุเป็นที่อยู่ของท้าวมหาราชทั้งสี่เทวดาละยักษอาศัยอยู่แล้ว มีภูเขาหิมะว่าสูงห้าร้อยยอดยาวและกว้างสามพันยอดประดับด้วยยอดแปด0มืนสี่พันยอดมีต้นชมพูชื่อนะคะวัดโดยรอบลำต้นสิบห้ายอดลำต้นสูงห้าสิบยอดกิ่งยาวห้าสิบยอดแผ่กิ่งออกไปโดยรอบได้หนึ่งร้อยยอดสูงขึ้นไปก็เท่านั้นด้วยอนุภาพแห่งต้นชมพูนั้น โลกจึงประกาศว่าชมพูทวีบและประมาณแห่งต้นชมพูนั้นใดประมาณนั้นนั่นแหละเป็นประมาณของต้นจิตตปาตลีของพวกอสูรเป็นประมาณของต้นสิมพลีของครุฑเป็นประมาณของต้นกระทุ่มในอปะระโคยานทวีบเป็นประมาณของต้นกับประพฤกในอุตรากุรุทวีบ เป็นประมาณของต้นซึกในปุพพวิเทหทวีปเป็นประมาณของต้นปาริชาตกะบนสวรรค์ชั้นดาวดึงดด้วยเหตุนั้นแหลท่านโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่าต้นไม้เกิดประจำพบคือต้นปาตาลีหนึ่งต้นสิมพลีหนึ่งต้นชมพูหนึ่งต้นปาริชาตกะของพวกเทวดาหนึ่งต้นกระทุ่มหนึ่ง ต้นกับประพฤกษหนึ่งเป็นเจ็ดทั้งต้นศึกหนึ่งภูเขาจั ก, กรวาลอย่างลึกลงไปในมหาสมุทรแปดหมื่นสองพันโยธสูงขึ้นไปก็เท่ากันนั้นภูเขาจักรวาล น, นี้ตั้งล้อมโลกธาตุทั้งหมดนั้นไว้ในโลกธาตุนั้นวงกลมแห่งพระจันทร์สี่สิบเก้าโยธวงกลมแห่งพระอาทิตย์ห้าสิบโยธ พบดาวดึงหนึ่งหมืนโยธพบอสูรอเบจีมหานรกและชมพูทวีปเหมือนกันอปราโคยานทวีปเจ็ดพันโยธปุกพระวิเทหทวีปเหมือนกันอุตรกุรุทวีป8ปดหมืโยธและในโลกธาตุนั้นทวีปใหญ่ทวีปหนึ่งหนึ่งมีเกาะเล็กเกาะน้อยทวีปละห้าร้อยเกาะสิ่งทั้งหมดแม้นั้น นับเป็นจักรวาลอันหนึ่งนับเป็นโลกธาตุอันหนึ่งในระหว่างแห่งจักรวาลเหล่านั้นมีโลกันเต๋ดิกนรกอันหนึ่งหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงรู้แจ้งทร ง, งทราบทรงทะลุ ป, ปรุโ ป, ปรงซึ่งจักรวาลอันไม่มีที่สุดซึ่งโลกธาตุอันไม่มีที่สุดดังพันนามานีด้วยพระพุทธยานอันไม่มีที่สุดแม้โอกาสโลก พระผู้มีพระภาคก็ส่งรู้แจ้งโดยทุกประการเหมือนอย่างนี้แม้ด้วยประการชนีพระผู้มีพระภาคส่งได้พระนามว่าโลกาวิทูเพราะเป็นผู้ส่งรู้แจ้งโลกโดยทุกๆประการหมายเหตุผู้อ่านต้องขอย้ําว่าอีกครั้งนะครับว่าจํานวนในพระไตรปิฎกนั้น บางส่วนเป็นสํานวนที่หมายถึงมากอย่างคำว่าห้าร้อยก็เทียบกับคำในสมัยปัจจุบันเช่นโจรห้0อไม่ได้หมายถึงมีโจรห้0อคนและพึงระลึกนะครับว่าหลายคำในพระไตรปิฎกรวมถึงในอธัธกถานั้นส่วนหนึ่งเป็นสมมุติบัญญัติทั้งชื่อทั้งขนาดทั้งปริมาณหรือสภาวะก็ตามท่านใช้คำที่จะให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายที่สุด และส่วนใหญ่ก็เป็นคนในยุคสมัยนั้นพบภูมิและบุคคลบางส่วนก็ไม่ใช่พบหยาบนะครับแต่มีความเป็นทิพย์ดังนั้นจึงไม่ควรรีบเอาสามัญสำนึกแบบมนุษย์ปุตุชนทั่วไปที่ยังปฏิบัติไม่ถึงไปตีความหรือคิดว่านั่นไม่จริงนี่ไม่จริงเป็นการแต่งเติมจากการซื้อทอดมายาวนานนะครับยกตัวอย่างที่ท่านอธิบายว่า แผ่นดินอยู่เหนือลมนั้นลองคิดดูนะครับว่าในสมัยพุทธกาลนักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะมารู้เมื่อสองสมร้อยปีนี้เองนะครับว่าโลกเราไม่ได้แบนแต่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชัดว่าโล ก, กลมเหมือนผลมะขามป้อมตั้งสองพันกว่าปีมาแล้วและยังตรัสว่าโลกมีน้ำบนแผ่นดินแผ่นดินตั้งอยู่บนลมลองนึกนะครับว่า พระองค์ทรงรู้แจ้งแค่ไหนเพราะปัจจุบันผ่านมามากกว่าสองพันกว่าปีนะครับวิทยาศาสตร์ถึงได้รู้ว่าโลกลมและโลกก็ลอยอยู่กลางอากาศจึงสมกับคำที่ว่าแผ่นดินตั้งอยู่บนลมการจะเข้าใจคำสอนในทางพระศาสนาหลายส่วนก็ต้องเข้าใจในยยะการสื่อสารและการสอนในสมัยโบราณด้วยนะครับว่าเราแปลมาจากภาษาอื่น ดังนั้นบางอย่างจึงเป็นแค่สำนวนเป็นการเปรียบเทียบและเป็นการใช้คำให้คนสมัยโบราณเข้าใจได้ง่ายที่สุดเท่านั้นผู้สนใจศึกษาพึงศึกษาอย่างรอบคอบอย่าด่วนเชื่อหรือรีบปฏิเสธอะไรในสิ่งที่เราไม่สามารถสัมผัสได้นะครับอธิบายบทอนุตตโร ก็แลบุคคลผู้ยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคนั้นย่อมไม่มีเพราะไม่มีใครๆที่ประเสริฐกว่าพระองค์โดยคุณทั้งหลายเป็นความจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคนั้นทรงครอบงำเสียซึ่งชาวโลกทั้งสิน้นแม้ด้วยพระคุณคือศีลแม้ด้วยพระคุณคือสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาทณทัศนะเป็นผู้ไม่มีผู้เสมอ เป็นผู้ไม่มีผู้เหมือนเป็นผู้ไม่มีผู้เปรียบเป็นผู้ไม่มีผู้ทัดเทียมเป็นผู้ไม่มีบุคคลเทียบเคียงแม้ด้วยพระคุณคือศีลแม้ด้วยพระคุณคือสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนนะเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายก็แต่ว่าเรามองไม่เห็นบุคคลอื่นที่สมบูรณ์ด้วยศีล ยิ่งกว่าเราตถาคตในโลกพร้อมทั้งเทวโลกพร้อมทั้งมารโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ดังนี้เป็นต้นนักศึกษาพึงกล่าวความพิสดารพระสูตรทั้งหลายเช่นอักบปสาทสูตรเป็นต้นและพระคาถาทั้งหลายเช่นพระคาถาว่าณนะเมอาจจะริโยอัติเป็นต้นนักศึกษาพึงกล่าวให้พิสดารเถิด อธิบายบทปุริสธรรมมสารติพระผู้มีพระภาคทรงได้พระนามว่าปุริสธรรมมสารติเพราะอัตถวิเคราะห์ว่าทรงขับอธิบายว่าทรงฝึกทรงนาไปซึ่งบูรุษผู้ควรฝึกทั้งหลายบทว่าปุริสธรรมมในคำว่าปุริสธรรมมสารติ ได้แก่ดิรชานบุรุษบ้างมนุษย์บุรุษบ้างอมนุษย์บุรุษบ้างที่ยังไม่ได้ฝึกแต่ควรเพื่อจะฝึกเป็นความจริงแม้ดิรชานบุรุษทั้งหลายที่พระผู้มีพระภาคทรงฝึกแล้วทรงทำให้หมดพิษสงแล้วทรงให้ดำรงอยู่ในสารณะและศีลทั้งหลายแล้วเช่นพญานาคชื่ออปาละพญานาคชื่อจุลทระ พญานาคชื่อมโหทระพญานาคชื่ออะคีสิกะพญานาคชื่อทูมสิกะพญานาคชื่ออาราวาละและช้างชื่อธนปาลากะเป็นต้นแม้มนุษย์บุรุษทั้งหลายเช่นสัจจกะนิคันธบุตรอัมพัธมาโนบปกคราสติพรามโซนทันทพรามและกูตะทันตพรามเป็นต้น แม้อับมนุษย์บุรุษทั้งหลายเช่นอาลวาจยักษ์สูจิโลมยักษ์คาราโลมยักษ์และท้าสักกะเทวราชเป็นตน้นซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงฝึกแล้วทรงแนะนําแล้วด้วยวินโยบายทั้งหลายอันวิจิตอนหนึ่งพระสูตรนี้ความว่าเกสีเราย่อมแนะนําบุรุษที่ควรฝึกทั้งหลาย ด้วยวิธีละเอียดบ้างย่อมแนะนําด้วยวิธียาบบ้างย่อมแนะนําทั้งด้วยวิธีละเอียดและวิธียาบบ้างดังนี้เป็นต้นนักศึกษาพึงยกมาบรรยายให้พิสดารในเรื่องฝึกบุรุษที่ควรฝึกนี้อีกประการหนึ่งพระภูมิพระภาคเมื่อทรงสอนคุณอันอัศจร์มีปฐมฌานเป็นต้น ให้แก่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายซึ่งมีศีลบริสุทธิ์แล้วเป็นต้นและทรงสอนมรรคปฏิปทาชั้นสูงขึ้นไปให้แก่พระอริยเจ้าทั้งหลายลำดับพระโสดาบันเป็นต้นชื่อว่าย่อมทรงฝึกแม้ซึ่งบุคคลทั้งหลายผู้ที่ฝึกแล้วเหมือนกันอธิบายบทอนุตตโร ปุริสธรรมสารติอีกไนยะหนึ่งบทว่าอนุตโรกับบทว่าปุริสธรรมสารตินี้เป็นบทที่มีความหมายอย่างเดียวกันนั่นเทียวเป็นความจริงพระผู้มีพระภาคย่อมทรงขับบุรุษที่ควรฝึกทั้งหลายได้โดยประการที่เขาทั้งหลายนั่งอยู่ในบรรลังอันเดียว ให้แล่นไปสู่ทิศทั้งแปดได้ยังไม่ขัดข้องเพราะเหตุนั้นจึงกล่าวได้ว่าพระผู้มีพระภาคเป็นนายสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกชั้นยอดเยี่ยมและพระสูตรนี้ความว่าภิกษุทั้งหลายช้างที่ควรฝึกอันนายควานช้างฝึกแล้วย่อมแล่นไปได้เพียงทิศเดียวเท่านั้นดังนี้เป็นตน้น อนนักศึกษาพึงพรรณนาให้พิสดารในอาิการนี้อธิบายบทศรัท ธ, ธาเทวมนุษย์นังพระผู้มีพระภาคทรงได้พระนามว่าศรัท ธ, ธาเพราะอัตถว่าเป็นผู้ทรงสั่งสอนด้วยประโยชน์ชาตินี้ประโยชน์ชาติหน้าและปารมัตถประโยชน์ทั้งหลายอย่างสมควรกัน อีกประการหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงได้พระนามว่าสาัทธาเพราะอัตถว่าเป็นเหมือนในกองพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้นำหมู่อัตถาธิบายในอธิการนี้นักศึกษาพึงทราบแม้ตามนัยยะแห่งนิเทศพระบาลีมีอาธิดังนี้ว่าในกองเกวียนย่อมนำหมู่เกวียนให้ข้ามพ้นกัด่านไปได้ คือพาข้ามพ้นโจรกันดานสัตว์ ร, ร้ายกันดานทุกพิกภักภยกันดานและกันดานคืออดน้ำคือพาข้ามพ้นไปให้บรรลุถึงซึ่งผู้มิพระเทพอันมีความเกษมชั้นใดพระผู้มีพระภาคทรงเป็นนายกองทรงเป็นผู้นำหมูทรงนำหมูสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามกันดานไปได้คือทรงให้ข้ามชาติกันดานชั้นนั้น บทว่าเทวมนุษย์สานังแปลว่าของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคำนี้ตรัสไว้ด้วยกาหนดเอาเวนัยศัตร์ขั้นอุกฤษและด้วยกาหนดเอาขั้นพพะบุคคลคือบุคคลผู้ควรต ร, รัสรู้แต่แท้จริงพระผู้มีพระภาคทรงเป็นสัสดาแม้ของจำพวกสัตติรชานด้วยโดยทรงประทานพระอนุสาสนีให้ ฝ่ายข้างสัตยิราชาเหล่านั้นครั้นได้สำเร็จอุปนิสัยสมบัติด้วยการฟังพระธรรมแต่พระผู้มีพระภาคแล้วเพราะเหตุอุปนิสัยสมบัตินั้นนั่นแหละย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งมรรคและผลในอัตภาพที่สองบ้างในอัตภาพที่สามบ้างเป็นความจริงเรื่องนี้มีตัวอย่างเช่นมันทุกกะเทพบุตรเป็นต้น เรื่องมนทุกกาเทพบุตรได้ยินมาว่าครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงพระธรรมเทศนาโปรดชาวเมืองจำปานครอยู่ณนาริมฝั่งสระบกครณีชื่อคัคครามีกบตัวหนึ่งได้ถือนิมิตในพระสุรเสียงของพระผู้มีพระภาคบังเอิญคนเลี้ยงลูกโคคนหนึ่งเมื่อจรดไม้พลองลงได้จรดกดเอากบนั้นตรงที่ศีรษะ กบนั้นได้ถึงแก่ความตายลงในขณะนั้นนั่นเทียวเราได้ไปบังเกิดอยู่บนวิมานทองสูงส2องโยชนในภพดาวดึงสวรรค์และมันทุ ก, กาเทพบระบุนั้นซึ่งเป็นเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นเห็นตนถูกห้อมล้อมด้วยหมู่นางเทพอับสอนในวิมานทองนั้นจึงพิจารณาดูว่าเอเมื่อเราก็ชื่อว่าไดมาบังเกิดณที่นี่แล้วเราไดสร้างกรรมอะไรไว้หนอ มองไม่เห็นกรรมชนิดไหนอย่างอื่นนอกจากการถือเอนิมิตในพระสุรเสียงของพระผู้มีพระภาคทันใดนั้นมันทุกกะเทพบุตรนั้นจึงได้เหาะมาพร้อมทั้งวิมานกราบนมัสการพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคอยู่พระผู้มีพระภาคถึงจะทรงทราบอยู่ก็ตรัสถามว่าใครกันรุ่งเรืองด้วยฤทธ์ด้วยยศ มีผิวพันธ์อันงามยิ่งบรรดาทิตย์ทั้งปวงให้สว่างสวัยนำมสัส ก, การกราบเท้าเราอยู่มันทุกกาเทพบุตรกราบทูลว่าในชาติก่อนข้าพระองค์ได้เป็นกบอยู่ในน้ำมีน้ำเป็นโคจรขณะข้าพระองค์ฟังธรรมของพระพุทธองค์อยู่คนเลี้ยงลูกโคได้ฆ่าแล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงธรรมโปรดแก่มนุกกเทพบุตรนั้น ธรรมมาพิสมัยคือการตรัสรู้ธรรมได้มีแก่ปานสัตว์ทั้งหลายถึงแปด0มืนสี่พันฝ่ายเทพบุตรดำรงอยู่ในโสดาปติพลยิ้มแย้มกลับไปฉนี้แหละอธิบายบทพุทโธก็แหละพระผู้มีพระภาค ทรงได้พระนามว่าพุทธโธเพราะทรงรู้อะไรอะไรที่ควรรู้ซึ่งมีอยู่อย่างทั่วทวนนั่นเทียวด้วยอํานาจแห่งวิโมกขันติกยายนคือพุทธญาณทั้งปวงอีกประการหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ทรงพระนามว่าพุทธโธแม้เพราะเหตุทั้งหลายมีอาทิยางนี้คือเพราะเหตุตรัสรู้สัจจะสีด้วยพระองค์เองบ้าง เพราะเหตุอย่างหมู่สัตว์อื่นๆให้ตรัสรู้สัจจะสี่บ้างก็แลเพื่อที่จะให้เข้าใจอธาธิบายนี้อย่างแจ่มชัดนักศึกษาพึงทำให้พิสดารซึ่งไยยะที่มาในนิเทศหรือไยยะที่มาในปฏิสัมพิธามักแม้ทั้งหมดซึ่งเป็นไปอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงได้พระนามว่าพุทโธเพราะเป็นผู้ตรัสรู้สัจจะทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคทรงได้พระนามว่าพุทโธเพราะทรงยังหมูสัตว์ให้ตรัสรู้สัจจะทั้งหลายสัจจะสี่ในที่นี้คืออริยสัจสี่ได้แก่ทุกข์สมุทัยเหตุเกิดทุกข์นิโรธความดับทุกข์ละมัคข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกข์อธิบายบท พักวาก็แลคำว่าพักวานี้เป็นชื่อเรียกพระผู้มีพระภาคนั้นผู้เป็นครูชั้นประเสริฐโดยพระคุณเป็นผู้สูงสุดกว่าสัตว์ทั้งปวงด้วยความคาวระวะด้วยเหตุนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงได้กล่าวไว้ว่าคำว่าพักวาเป็นคำประเสริฐ คำว่าพัวาเป็นคำชั้นสูงพระผู้มีพระภาคนั้นทรงเป็นครูและเป็นผู้ควรแก่การคารวะด้วยเหตุนั้นนักปราดจึงเฉลิมพระนามว่าพักวาอีกประการหนึ่งนามมีสี่ชนิดคืออวัติกานามหนึ่งลิงกีกานามหนึ่งเนมิติกานามหนึ่ง อาทิตย์จัสมุ ป, ปันนานามหนึ่งอธิบายว่าชื่อซึ่งตั้งตามที่ต้องการโดยโวหารของชาวโลกชื่อว่าอาทิตย์จัสมุ ป, ปันนนนามในนามสี่ชนิดนั้นชื่อมีอาทิตย์อย่างนี้คือวัโชวโฉโคเด็กธรรมโมโคหนุมพลิพัทโทโคเปลี่ยวชื่อว่าอวัติกนาม ชื่อมีอาทิอย่างนี้คือทันทีพยายมจัตตีพระราชาสิกขีนกยูงกรีช้างชื่อว่าลิงคิกนามชื่อมีอาทิอย่างนี้คือเตวิชโชพระอรหันต์ผู้สาเร็จวิชาสามฉลพินโยพระอรหันต์ผู้สาเร็จอภินยาหกชื่อว่า เนมิติกานามชื่อที่ตั้งขึ้นโดยมิได้มุ่งถึงความหมายแห่งคำมีอาธิอย่างนี้คือนายสิริวัฒกะ น, นายธนวัฒกะชื่อว่าอาทิจสะสม ป, ปันนานามและนามว่าพัควาณีเป็นนิมิติกกานาม พระนางเจ้ามหามายามิได้ทรงขนานถวายพระเจ้าสุทโธนธนะมหาราชมิได้ทรงขนานถวายหมู่พระประยุรญาตแปดหมื่นสี่พันมิได้ทรงขนานถวายเทวดาผู้วิเศษทั้งหลายมีเท้าสักกะและเท้าสันดุสิตเป็นต้นก็มิได้ทรงขนานถวายจริงอยู่แม้ท่านพระธรรมเสนาบดีก็ได้กล่าวไว้ดังนี้ พระนามว่าพัควานีเป็นวิโมกขันติก น, นามคือ น, นามที่เกิดในที่สุดแห่งอรหัตมรักเป็นบัญญัติที่สำเร็จประจักษ์แจ้งพร้อมกับการได้พระสัพพั์ยุตยานะโคนโพธิพึกของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายและนามว่าพัควานี้มีพระคุณเหล่าใดเป็นนิมิตเมื่อจะประกาศพระคุณเหล่านั้น พระสังคีติกาจาร์ทั้งหลายจึงได้ประพันธ์คถาไว้ดังนี้พระผู้มีพระภากนั้นนักราชถวายพระนามว่าภัควาเพราะทรงเป็นผู้มีโชคคือภคีเพราะทรงเป็นผู้สองเสบคือพชัชีเพราะทรงเป็นผู้มีส่วนคือพาคิเพราะทรงเป็นผู้จำแนกคือวิพัตตวา เพราะได้ทรงทำการหักกิเลสบาปกรรมเพราะทรงเป็นครูเพราะทรงเป็นผู้มีบุญบารมีคือพาคโยวาเพราะทรงเป็นผู้มีพระองค์อันอบรมดีแล้วด้วยยญาณธรรมทั้งหลายเป็นอันมากเพราะทรงเป็นผู้ถึงที่สุดแห่งภพส่วนอธิบายแห่งบทนั้นๆในคาถานี้นักศึกษาพึงทราบตามนิย่าที่ตรัสไว้ ในคมภีนิเทศนั่นเถิดแต่ยังมีนัยยะอื่นอีกดังต่อไปนี้พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้มีบุญบารมีทรงเป็นผู้หักกิเลสบาปธรรมทรงเป็นผู้ประกอบด้วยโชคทั้งหลายทรงเป็นผู้จำแนกทรงเป็นผู้ซ้องเสพทรงเป็นผู้คายความเกิดในภพทั้งหลายเพราะเหตุนั้นจึงทรงได้พระนามว่า ัวอธิบายบทภาคยวาในบทเหล่านั้นมีอ ธ, ธิบายดังนี้นักศึกษาพึงทราบว่าแทนที่จะเฉลิมพระนามว่าภาคยวาเพราะพระผู้มีพระภาคนั้นทรงมีพระบารมีเช่นทานศีลเป็นต้น อันถึงความยอดยิ่งพร้อมที่จะบันดาลให้บังเกิดโลกิยสุขและโลกุตระสุขได้ก็ไปเฉลิมพระ น, นามเสีวา่าพักควาทั้งนี้เพราะถือเอาลักษณะแห่งภาษามีการเติมอักษรใหม่และยักย้ายอักษรเป็นต้นหรือเพราะถือเอาลักษณะที่บวกเข้ากันเช่นปีโสทรท์เป็นต้นตามนัยยะแห่งศัพท์ภาษา อธิบายบทภักาวาอันหนึ่งเพราะเหตุที่พระผู้มีพระภาคนั้นได้ทรงหักศซลาซึ่งกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดความกระวนกระวายและความเร่าร้อนจํานวนแสนอย่างสิ้นเชิงอันต่างด้วยโลภะโทสะโมหะและมนสิการอันเคลื่อนคลาดอันต่างด้วยอหิริกะและอะโนตัปปะโกธะและอุปนาหะ มักคะและปลาสะอิสสาและมาชริยะมายาและสาเถอยะธัมภะและสารัมภะมานะลาติมานะมะทะและปะมาทะตันหาและอวิชาอันต่าง้วยอากุศลมูลสามทุจริตสาสังกิเลสามบนทินสามวิสมะสามสัญญาสามวิตกสามปปัญจธรรมสาม อันต่างด้วยวิปริเยสะสีอาสวะสีคันทะสีโอขะสีโยคะสีอัคติสีตันหุ ป, ปาทะสีอุปาทานสีอันต่างด้วยเจโตขีละห้าวินิพันธะห้านิวอนห้าอภินันทนาห้าอันต่างด้วยวิวาทมูลหกตันหากายะหก อันต่างด้วยอนุไัเจ็ดมิชตะ8ปดตันหามูลกะเก้า 9, อากุศลกรรมบทสิบทิทิหกสิบสองละตันหาวิจริต1 0หนึ่งร้ยแปดหรือเมื่อว่าโดยสังเขปพระผู้มีพระภาคได้ทรงหักเซลาวซึ่งมารห้าจำพวกคือกิเลสมารหนึ่งคันธมารหนึ่งอภิสังขารมารหนึ่งเทวบุตรมารหนึ่งมัจจุมานหนึ่ง ดังนั้นแทนที่จะเฉลิมพระนามว่าภักขวาเพราะพระผู้มีพระภาคได้ทรงหักเสียซึ่งอันตรายเหล่านั้นก็ไปเฉลิมพระนามซิว่าภักขวาสองคำนี้ใกล้เคียงกันนะครับคำหนึ่งคือภักคำหนึ่งคือพระเป็นภักขวาและภักขวาจริงอย่างนั้นในความข้อนี้ ท่านสังคีติกาจารย์ประพันธ์คถาไว้ดังนี้พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นผู้ทรงหักราคะเป็นผู้ทรงหักโทสะเป็นผู้ทรงหักโมหะเป็นผู้ทรงหาอาสวะมิได้บาปทำทั้งหลายพระองค์ทรงหักแล้วด้วยเหตุนั้นนักปราชญ์จึงเฉลิมพระนามว่าภักขวาชนนี้ก็แลสมบัติ คือพระรูปกายของพระผู้มีพระภาคผู้ส่งไว้ซึ่งพระลักษณะอันเกิดแต่บุญตั้งหนึ่งรอยชนิดนั้นเป็นอันท่านแสดงแล้วด้วยพระคุณคือความเป็นผู้ส่งมีบุญบารมีสมบัติคือพระธรรมกายเป็นอันท่านแสดงแล้วด้วยพระคุณคือความเป็นผู้มีโทสะอันหักแล้วภาวะที่พระพุทธองค์มีคนชั้นโลกโลก และคนชั้นปัญญาชนทั้งหลายรู้จักมากก็ดีภาวะที่พระพุทธองค์อันเหล่าขรือหัดและหมู่บรรพชิตทั้งหลายเข้าถึงและเป็นผู้ทรงสามารถในอันช่วยบำบัดทุกกายทุกใจแกขรืหัดและบรรพชิตเหล่านั้นผู้เข้าถึงแล้วก็ดีความเป็นผู้ทรงมีพระอุปการะแกะเขาเหล่านั้นด้วยอาวิสทานและธรรมทานก็ดี ความเป็นผู้ทรงสามารถในอันประกอบเขาเหล่านั้นไว้ด้วยโลกิยสุขและโลกุตรสุขก็ดีย่อมเป็นอันท่านแสดงแล้วด้วยพระคุณทั้งสองเหมือนอย่างนั้นอธิบายบทพระเคหิยุตโตก็แลเพราะเหตุที่ในทางโลกสับว่าพระคะ ย่อมใช้ได้ในสภาวะธรรมหกอย่างคืออิสริยะหนึ่งธรรมะหนึ่งยศะ a หนึ่งสิริหนึ่งกามะหนึ่งปยัตตะหนึ่งเป็นความจริงอิสริยะคือความเป็นใหญ่ในพระหริทัยของพระองค์ชั้นเยี่ยมหรือพระอิสริยะที่ชาวโลกรับรองกันอันบริบูรณ์ด้วยประการทั้งปวง มีอันบันดาลร่างกายให้ละเอียดและบรรดาลร่างกายให้เบาเป็นต้นของพระผู้มีพระภาคนั้นมีอยู่ธรรมะคือพระธรรมชั้นโลกุตระของพระผู้มีพระภาคนั้นมีอยู่ญาติคือประโยชน์อันบริสุทธิ์อย่างยิ่งที่พระองค์ทรงได้มาด้วยพระคุณตามความเป็นจริงอันแผ่คลุมไปทั่วโลกทั้งสามของพระผู้มีพระภาคนั้นมีอยู่ สิริคือพระสิริโสภาแห่งพระอวัยวะทุกส่วนอันบริบูรณ์ด้วยประการทั้งปวงซึ่งสามารถให้เกิดความขวนขวายในอันอยากชมพระรูปพระโฉมและให้เกิดความเลื่อมใสของพระผู้มีพระภาคนั้นมีอยู่กามะคือพระประสงค์อันหมายถึงความบังเกิดแห่งประโยชน์ที่ทรงประสงค์เพราะประโยชน์ใดๆจะเป็นประโยชน์ของพระองค์ก็ตาม จะเป็นประโยชน์ของผู้อื่นก็ตามที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วทรงปรารถนาแล้วประโยชน์ น, นั้นๆก็เป็นอันสำเร็จสมพระประสงค์ทั้งนั้นและปะยะตะัตตาคือพระสัมมาวายามะอันเป็นต้นเหตุให้บรรลุถึงซึ่งความเป็นครูของโลกทั้งปวงของพระผู้มีพระภาคนั้นมีอยู่ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคนั้น แม้เพราะทรงประกอบด้วยพักคธรรมหกอย่างนี้ชาวโลกจึงขนานพระนามว่าพักว่าโดยอัตถะวิเคราะห์ว่าพักคาอัศสันติแปลว่าผู้มีพักคธรรมหกอย่างชนนี้อธิบายบทวิพัตตวาอันหนึ่ง เพราะเหตุที่พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้จำแนกอธิบายว่าทรงเป็นผู้จำแนกทรงเป็นผู้เปิดเผยทรงเป็นผู้แสดงซึ่งศัพดธรรมโดยประเภททั้งหลายมีกุศลประเภทเป็นต้นอย่างหนึ่งซึ่งธรรมะทั้งหลายมีกุศลธรรมเป็นต้นโดยเป็นขันธ์ายตนะาธาตุสัจจะอินทรีย์และปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นอย่างหนึ่ง ซึ่งทุกขอริยสัจเพราะอัฏฐกถาว่าบีบคั้นอันปัจจัยปรุงแต่งเร่าร้อนละแปรพันซึ่งสมุททอริยสัจเพราะอัฏฐว่าประมวลมาเป็นเหตุประกอบไวและกางกันซึ่งนิโรธอริยสัจเพราะอัฏฐว่าเป็นที่สลัดออกสงัดอันปัจจัยมิได้ปรุงแต่งและเป็นอมตะ ซึ่งมักคะอริยสัต์เพราะอัฏฐว่านำออกเป็นเหตุเห็นแจ้งและเป็นอธิปดีอย่างหนึ่งฉะนั้นแทนที่จะเฉลิมพระนามว่าวิพัตตวาแต่ไปเฉลิมพระนามซื้ว่าภัขวาดังนี้อธิบายบทพัตตวา ก็ล้เพราะเหตุที่พระผู้มีพระภาคนั้นทรงครบทรงซองเสพทรงกระทําให้มากซึ่งทิพวิหารธรรมพรหมวิหารธรรมและอริยวิหารธรรมทั้งหลายซึ่งกายวิเวกจิตตาวิเวกและอุปธิวิเวกซึ่งสุญตาวิโมกอัปนิหิตตาวิโมกและอานิมิตตวิโมกและทรงครบทรงซองเสพทรงกระทําให้มาก ซึ่งอุตริมนุสธรรมอย่างอื่นๆทั้งที่เป็นโลกิยะทั้งที่เป็นโลกุตระฉะนั้นแทนที่จะเฉลิมพระนามพระองค์ว่าพัตตวาแต่ไปเฉลิมพระนามเสว่าพัคขวะดังนี้ทิพภาวิหารธรรมได้แก่รูปปาวาจรชานรองวิหารธรรม ได้แก่เมตตาชาญเป็นต้นอริยวิหารธรรมได้แก่พละสมาบัติอธิบายบทพระเวสุวันตะคมโนอันหนึ่งเพราะเหตุที่การท่องเที่ยวไปในภพทั้งสามคือตัณหาในภพสามอันพระผู้มีพระภาคนั้นทรงคายออกแล้วฉะนั้น แทนที่จะเฉลิมพระนามพระองค์ว่าพระเวสุวันตะคมโนแต่ไปเฉลิมเสว่าภะขวาดังนี้โดยยกเอาพออักษรจากภวะสัพเอาคออักษรจากคมนาสัพเอาวออักษรจากวันตัพท์แล้วทำเป็นทีฆะสระเหมือนอย่างในทางโลกแทนที่จะพูดว่าเมหนัสสะขัตสะมาลา แต่ก็พูดซะว่าเมฆขลาชนี้โดยเอาเมจากเมหนัสัต์เอาขอจากขัสสะเอาลาจากมาลาแล้วระสมกันเป็นเมฆขลาแปลว่าเครื่องประดับที่ลับสายรัดเอวองค์ฌานห้าเกิด เมื่อโยคียบุคคล น, นั้นระลึกถึงพุทธคุณทั้งหลายอยู่เนืองๆว่าพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระอรหันต์เพราะเหตุนี้และเหตุนี้พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นภักขวาเพราะเหตุนี้และเหตุด้วยประการดังพันรานามาสมัยนั้นจิตของเธอจะไม่ถูกราคารบกวนจะไม่ถูกโทสะรบกวนจะไม่ถูกโมหรบกวน สมัยนั้นจิตของเธอย่อมปรารบตรงดิง่งถึงพระตถาคตเจ้าเมื่อโยคีบุคคลนั้นมีจิตตรงเพราะมุ่งหน้าต่อพระกรรมฐานมีนิวรณอันข่มไว้แล้วเพราะไม่มีราคะเป็นต้นรบกวนอย่างนี้แล้ววิตกและวิจารอันโน้มเอียงไปในพระพุทธคุณย่อมดำเนินไปด้วยประการชนิดเมื่อโยคีบุคคลตรึก และพิจารณาถึงพระพุทธคุณอยู่ปีติย่อมเกิดขึ้นเมื่อโยคีบุคคลมีใจประกอบด้วยปีติความกระวนกระวายกายและใจย่อมสงบลงด้วยความสงบอันมีปีติเป็นประทัยฐานเมื่อโยคีบุคคลมีความกระวนกระวายสงบแล้วความสุขทั้งทางกายทั้งทางใจย่อมเกิดขึ้น เมื่อโยคีบุคคลมีความสุขจิตที่มีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์ย่อมเป็นสมาธิองค์ชานทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นในขณะเดียวกันโดยลำดับด้วยประการชนนี้กรรมฐานนี้สำเร็จเพียงอุปจาระฌานก็แล เพราะเหตุที่พระพุทธคุณทั้งหลายเป็นสภาวะธรรมที่ล้ำลึกอย่างหนึ่งเพราะเหตุที่โยคีบุคคลน้อมจิตไปในอันระลึกถึงพระคุณอย่างนานาประการอย่างหนึ่งฌานจึงไม่เกิดขึ้นถึงขั้นอัปปนาถึงเพียงขั้นอุปจาระเท่านั้นเองฌานนี้นั้นถึงซึ่งอันนับได้ว่าพุทธานุสติฌานเพราะเหตุที่บังเกิดขึ้น ด้วยอำนาจแห่งการระลึกถึงพระพุทธคุณนั่นแหละอา น, นิสงส์การเจริญพุทธานุสติกรรมฐานก็แหละภิกษุผู้ประกอบหนึ่งเนืองซึ่งพุทธานุสติกรรมฐานนี้ย่อมเป็นผู้มีความเคารพมีความยำเกรงในพระศาสดาย่อมบรรลุถึงซึ่งความไัยบู์ด้วยศรัทธาความไัยบู์ด้วยสติ ความไพบูลย์ด้วยปัญญาและความไพบูลย์ด้วยบุญเป็นผู้มากไปด้วยปีติและปราโมทเป็นผู้กำจัดเสดียดายซึ่งโทษภัยอันน่ากลัวเป็นผู้สามารถอดกลั้นได้ต่อทุกขเวทนาย่อมได้ความมั่นใจว่าอยู่ร่วมกับพระสาสดาแม้สรีระร่างของภิกษุนั้นอันพุทธานุสติครอบครองแล้ว ย่อมกลายเป็นสิ่งที่ควรแกการบูชาเป็นเสมือนเรือนพระเจดีย์สถานชนนั้นจิตของภิกษุนั้นย่อมน้อมไปในพุทธภูมิและถึงคราวที่ประจวบเข้ากับสิ่งที่จะพึงล่วงละเมิดหิริและโอตตะปะย่อมจะปรากฏแก่ภิกษุนั้นเป็นเสมือนเห็นพระสัสดาอยู่ต่อหน้าชะนั้นอันหนึ่งภิกษุผู้ประกอบเนือง ซึ่งพุท ธ, ธานุสติกรรมฐานนั้นเมื่อยังไม่ได้แทงตลอดคุณนวิเศษยิ่งยิ่งขึ้นไปในชาตินี้ก็จะเป็นผู้มีสุขคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเพราะเหตุฉนั้นแหละโยคาวาจรบุคคลผู้มีปัญญาดีพึงบำเพ็ญความไม่ประมาทในพุท ธ, ธานุสติภาวนาซึ่งมีอนุภาพอันยิ่งใหญ่ดังพันานามานี้ใ้การทุกเมื่อเทิน กถาถากพิสดาลในพุทธานุสติกรรมฐานประการแรกยุติลงเพียงเท่านี้